อีกสูตรหนึ่งคาถาที่หพระองค์ตรัสว่าภิกษุใดค้นคว้าอยู่ด้วยปัญญาไม่ประสบอัตภาพอันเป็นสาระในภพทั้งหลายเหมือนพราหมณ์ค้นคว้าอยู่ไม่ประสบดอกที่ต้นมะเดื่อฉะนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝังในและฝังนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คล่ำคล า, าฉะนั้น ถ้าหากว่ามีปัญญาค้นคว้าในร่างกายในอัตภาพในภพสามเนี่ยนะไม่มีอัตสาระนิจาสาระสุขาสาระอยู่ในอัตภาพที่แท้จริงเลยในภูมิสามเหมือนอะไรเหมือนกับหาดอกมะเดือ่อหายังไงก็หาไม่เจอดอกมะเดื่อนี่อยู่ตรงไหนเร อ, อยู่ข้างเน่ตรงเน่เนี่ยที่พวงผลเยอะๆเนี่ยตรงนี้มันมีอยู่สอ ง, สองต้นหรืออะไรตรงนั้นอ่ะที่มันมีเม็ดตุ่มๆตุ่มๆเท่าโป้งมือเนี่ยมีเม็ดๆ เ, เยอะๆเนี่ยไปดูข้างหลังตรงนั้นกันละกันนั่นแหละ มันมีปุ่มขึ้นมาออกก่อนแล้วปุ่มๆแล้วก็โตเป็นลูกไปเลยไม่มีดอกเนี่ยนะไม่มีดอกมันมาเดือนนี่ไม่มีดอกถามว่าเรื่องนี้มาอย่างไงคือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพราหมณ์คนหนึ่ง เมื่อบุตรสาวของตนดำรงอยู่ในปฐมวัยที่คนอื่นจะพึ่งสู่ขอได้คิดว่ามีลูกสาวงามมากนะก็คิดว่าเราจักประดับประดาตกแต่งลูกสาวของเราด้วยดอกไม้ที่คนถอยไรๆไม่เคยใช้สอยแล้วก็ส่งไปในสกุลสามีโหะมนะมากเลยนะลูกสาวของเรานะ่มันต้องประดับดอกไม้ที่ไม่มีใครเคยประดับมาก่อนเลยพรามกันนั้นก็เที่ยวตรวจค้นหาทั่วกรุงสาวัตถีทั้งภายในเมืองภายนอกเมือง ก็ไม่ได้ดอกไม้แม้กระทั่งดอกหญ้าไร่ที่คนถอยไม่เคยใช้สอยคือเขาเป็นคนที่ดูหมิ่นคนมากนะพันต้องหาดอกไม้ที่ไม่มีใครเคยใช้มาเลยมาประดับลูกสาวของเขาแล้วก็ส่งไปตระกูลสามีก็ไปเห็นพวกเด็กตระกูลลูกพรามเนี่ยนะจนวนมากเป็นนักเลงประชุมการคิดว่าเดี๋ยวจะถามพวกเด็กพวกนี้แหละในเด็กจํานวนมากจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่รู้แน่นอนว่าไอ้ดอกไม้ที่คนถอยไม่เคยใช้มันเป็นยังไง เด็กเหล่านั้นก็จะถากทางเยอะเย้ยอ่ะนะพรามก็เลยกล่าวว่าท่านพรามธรรมดาว่าดอกมะเดื่อเนี่ยนะใครใก็ไม่เคยใช้สอยในโลกเนี่ยไม่มีใครเคยใช้สอยเพราะฉะนั้นไปหาดอกมะเดื่อให้ประดับลูกสาวของท่านเถอะอ่ะนะเอาดอกมะเดื่อมาเน็บหูลูกสาวท่านไปเถอะประมาณนั้นนะจริงก็แกล้งนะอ่ะนะเอาเรื่องเ้าเรียกว่าแกล้งอ่ะนะแกล้งคนแก่ปรนะมาณก็เลย เพราะฉะนั้นให้ลูกสาวของท่านเนี่ยประดับดอกมะเดื่อเธอวันที่สองพราหมณ์กับลูกแต่ชาวตรูไม่ยอมรับประทานอาหารไปยังป่ามะเดือ่อบนฝั่งแม่น้ําอาจิราวัติมะเดื่อนี่มันชอบอยู่ในที่ชื้นๆสักหน่อยหนึ่งนะพอไปสแสวงหาที่ต้นมะเดือ่อที่ข้างฝั่งแม่น้ําอาจิราวัติสแสวงหาต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ก็ไม่พบแม้แต่ว่าขั้วแห่งดอกมะเดือ่อหายังไงก็ไม่ไอตรงไหนที่มันมีดอกอะนะ คือมันมั น, ม, นมันออกมาเป็นปุ่มใช่ไหมันเป็นปุ่มแล้วก็โตโตโตโ ต, โตแล้วก็ตกร่วงไปแค่นั้นนะ่ะมาเดือบางต้นเนี่ยลูกมันโตเท่ากลมปั้นเนี่ยโตเท่าแอปเปินเน้ลนะนะที่ที่ภาคเหนือนี่มาเดือโตเท่าแอปเปิ้ลแต่ถ้าตรงนี้เท่าป้งมือเท่านิ้วมือนะนะเขาเอาไปทําอะไรนะ่ะที่ทาขนมปังอะ่ะเอาวพูดเอกสันแล้วเนี่ย เก็ว่าก็ไปหาหายังไงก็ไปหาขั้วดอกมะเดื่อนี่หาไม่เจอทีนี้เมื่อเวลาเลยไปถึงเวลาเที่ยงพราหมณ์ก็ได้ไปเป็นครั้งที่สองที่ป่ามะเดือ่อไปจนหิวข้าวก็ไม่กิกนข้าวไปหาดอกมะเดื่อต่อที่นั้นพิสูรรูปหนึ่งนั่งพักกลางวันมนานสิการกรรมฐานอยู่ที่โคนต้นมะเดือ่ออันรื่นรมต้นหนึ่งนะต้นมะเดือ่อบางต้นนี่มันก็รื่นรมอากาศเย็นสบายพราหมณ์นั้นก็เข้าไปในที่นั้นๆเห็นพระพิสูุรูปนั้นนั่งก็ไม่สนใจ เสร็จแล้วก็นั่งครู่หนึ่งแล้วก็กลับนั่งยองๆ อ, อยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นยืนอีกครู่หนึ่งค้นอยู่ซึ่งต้นไม้นั้นในระหว่างกิ่งคาคบทั้งปวงก็ลำบากเน็ดเนือยเนืยมากนะเรียกว่าแงนดูกว่าแล้วก้มดูกว่าแล้วดูตั้งแต่โคนจดยอดก็แล้วไม่เห็นดอกแม้แต่ดอกเดียวอุยเดือดร้อนมากพิสูจนนั้นก็พูดกับพรามว่าพรามท่านหาอะไรผมสแสวงหาดอกมะเดื่อครับเหมือนพราม์ธรรมดาว่าดอกมะเดือ่อนี่มันไม่มีในโลกหรอก คำพูดที่ว่าดอกมะเดื่อมีเนี่ยมันเป็นคำหลอกเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้ลำบากเลยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทราบอัธยาศัยของพิสูจนนั้นก็เลยแป่งรัศมีตัดโอภาษคาถาทั้งหลายใกล้ๆพิสูรูปนั้นเนี่ยนะแก่พิสูจนนั้นผู้มีมานะมากพิสูรูปนั้นจริงๆก็พื้นฐานก็มานะมากพระองค์ก็เลยตรัดคาถาว่าภิกษุใดค้นคว้าด้วยปัญญาก็ไม่ประสบอัตภาพอันเป็นสาระในภพทั้งหลาย เหมือนพรามค้นคว้าอยู่ไม่ประสบดอกที่ต้นมะเดือ่อฉนั้นพิสูนนั้นเชื่อว่าย่อมละซึ่งฝังในและฝังนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่ า, าแล้วฉนั้นเรียกว่าอาศัยต้นมะเดื่อไม่มีดอกก็ยังสอนให้บรรลุได้ก็แล้วกันนะพระพุทธเจ้าเก่งมากนะแสวงหาในสแสวงหาสาระในภพอ่ะนะเช่นภพกรรมภพรูปประภพอรูปรประภพ อันนี้เรียว่าพูดโดยภูมิหรือสัญญีพบอสัญญีพบเนวสัญญีนาสัญญีพบหรือจะโดยเอกโวโการพบจตุโวโการพบหรือปัญจโวโการพบเมื่อสแสวงหาไม่พบสภาวะที่เที่ยงอะไรเลยถ้าค้นคว้าอยู่ด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยนะไม่มีความเที่ยงอยู่ในภพทุกภพเลยอธิบายว่าก็พระโยคาวจรเลือกเฟ้นอยู่ด้วยปัญญาก็ไม่พบสาระใดๆในภพ คือไม่พบนิจจาสาระสุขาสาระอัตตะสาระเป็นต้นในพบเลยเหมือนอะไรเหมือนพรามนี้เมื่อเลือกดอกที่ต้นมาเดือทั้งหลายก็ไม่พบดอกมาเดือฉะนั้นพระโยคาวจรเห็นแจ้งธรรมะนั้นอยู่เห็นแจ้งเห็นแจ้งนี้เป็นชื่อของวิปัสนาเห็นแจ้งด้วยอนุ ป, ปัสนาโดยความไม่เที่ยงและโดยความไม่ใช่อัตตาเพราะ ว่าหาสาระม่ได้เนี่ยนะก็สิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันมีแก่นมาจากไหนสิ่งที่เป็นทุกข์นะนะมีแก่นมาจากไหนก็สิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็ไม่มีแก่นอยู่แล้วเมื่อคน้นคว้าขันห้าขันสี่ขันหน 4, ึ่งในพบทั้งปวงก็ไม่พบสาระเลยเมื่อพิจารณาค้นคว้าอยู่อย่างนั้นก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหนายก็บรรลุอยู่ซึ่งโลกุตระทำทั้งหลายโดยลําดับ ชื่อว่าละเสียซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคราฉะนั้นเวลาจบคาถาก็บรรุกลุ่มนี้ก็บรรุอีกแล้วดอกมะเดื่อพระพุทธเจ้าก็อาศัยสอนบรรลุอีกเหมือนกันนั่นเนี่ยคาถาที่หบอกคาถาที่หบอกว่ากิเลสเป็นเครื่องให้กำเริบกิเลสคือความโกรธเนี่ยนะความโกรธที่เป็นเครื่องให้กำเริบย่อมไม่มีภายในจิต ของภิกษุใดและภิกษุใดล่วงเสียแล้วซึ่งความเจริญและความเสื่อมอย่างนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร้าแล้วฉะนั้นในคาถานี้เนี่ยนะคาถานี้ไม่บอกเรื่องเป็นมาเป็นไปเลยนะเนี่ยก็บอกแต่ว่ากิเลส ท, ที่เป็นเหตุให้กำเริบเนี่ยนะก็คือกิเลส ท, ที่อยู่ในใจ ย่อมไม่มีภายในภิกษุภิกษุที่ล่วงแล้วซึ่งความเจริญและความเสื่อมก็อธิบายคําว่าความเจริญกับความเสื่อมในหน้า42่สิเนี่ยนะคำว่าเจริญเนี่ยนะมาจากคําว่าภาวะกับวิภวะภวะเนี่ยเพราะเหตุที่สมบัติเรียกว่าภวะวิบัติเรียกว่าวิภวะนะความเจริญเรียกภวะความเสื่อมเรียกว่าวิภวะศัสตะทิฐิเรียกว่าภวะอุเฉตทิฐิเป็นวิภาวะบุญชื่อว่าภาวะบาเป็นวิภวะ เมื่อว่าโดยใจความทั้งวิภวะทั้งอัภาวะก็อันเดียวกันนั่นเองอธิบายว่าภิกษุนั้นชื่อว่าล่วงความเสื่อมและความเจริญมีประการเป็นอันมากที่พระพุทธเจ้าตรัส ด, ด้วยสมบัติวิบัติความเจริญความเสื่อมความเที่ยงความขาดซูญบุญบาปนนะก็ละสิ่งเหล่านี้ทั้งละทั้งสมบัติวิบัติละความเจริญความเสื่อมละสัสตติทิฏฐิอุชเชติทิฏฐิละบุญลอยบาป ด้วยโสดาปฏิมักสกะทาคามีมักอนาคามิมักและอรหัตตมักตามสมควรแก่เหตุอันนี้อธิบายเท่านี้เองในคาถาที่6อธิบายเท่านี้ส่วนคาถาที่7หน้าสมบอกว่าภิกษุใดกําจัดวิตกได้แล้วปราบปรามดีแล้วในภายในปราบไม่ต้องแค่บอกว่าตั้งกองปราบเนี่ยตั้งปราบอะไรปราบอากุศลวิตกเหมือนนนะตั้งกองปราบคือปัญญาเนี่ยปราบอะไรปราบอากุศลวิตกในภายในไม่ให้มีส่วนเหลือ ภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วฉะนั้นวิตกในหน้า42ย่อหน้าล่างบอกว่ายาสาวิตกกาที่บายว่าภิกษุใดพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกนั้นๆแล้วก็ทําอกุศลวิตกเหล่านั้นให้สงบเผาผลาญอากุศลวิตตกทั้งเก้าอกุศลวิตกเก้ามีอะไรสามอย่างแรกอันนี้เรียกว่าวิตกอย่างหยาบ เรียกว่ากิเลสอย่างหยาบก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเนี่ยนะก็กามวิตกก็คือตรึกในกามพยาบาทก็ตรึกในความปองร้ายวิหิงสาก็เบียดเบียนส่วนอกุศลวิตกหรือกิเลสอย่างกลางเรียกว่าตรึกถึงญาติตรึกถึงชนบทตรึกถึงเทวดาหรือตรึกถึงความไม่ตายตรึกถึงญาติบอกญาติเราอยู่ที่นั่นนะ นึกถึงญาติชนนึกถึงชนบทก็คือว่าถ้าเป็นพระภิกษุนะไปอยู่ภาคนั้นสิอาหารดีเพราใส่บาทรเขาเลื่อมใส่กันที่นั่นดีกว่าเรียกว่าชนบทวิตกพวกอมาระวิตกก็คือแบ่งเป็นหลายกลุม่มหนึ่งตรึกถึงเทวดาเพราะเทวดาเรียกว่าอมาระพวกไม่ตายหรืออีกในหนึ่งก็อมาระวิเข ป, ปะทิฏฐิตรึกดิ้นได้ไม่ตายไม่ตายตัวเนี่ยนะเรียกว่าอมาระาวิตกส่วนวิตกสสุดท้ายเรียกว่ากิเลสอย่าง อย่างอะไรนะอย่างหยาบอย่างกลางแล้วก็อย่างเบาอย่างละเอียดหมายคือว่าเช่นความคิดวิตกกังวลประกอบด้วยความเอ็นดูผู้อื่นดูเหมือนดีนะจริงๆก็คือพวกนี้ก็หมายถึงพระพิสูจน์นั่นแหละโยมเขาสุข ก, ก็สุข ก, กับเขาโยมเขาทุกข์กับทุกข์กับเขาหมายคือว่าดีใจไปกับเขาเสียใจไปกับเขาเขาได้อะไรสักอย่างก็ดีใจกับเขาไปานะไปร่วมสุขร่วมทุกข์เขามีงานก็เป็นเจ้ากี้เจ้าการดูแลเขาทุกเรื่องไปหมดนี่เรียกว่า วิตตกที่ประกอบด้วยความเอ็นดูของผู้อื่นก็แปลว่าคนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับคาระวะโดยประการทั้งปวงก็เลยเป็นอกุศลไงก็เลยว่ามันไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือลาปอาปสการะสิโลกะวิตตกก็คือวิตกกังวลถึงลาบสการะและชื่อเสียงทํายังไงจะได้ลาบสการะทํำยังไงชื่อเสียงจะได้ขจรขจายออกไปอันนี้ก็เป็นกิเลสบาปอากุศลสุดท้ายก็คือวิตกด้วยการไม่ดูหมิน่นคือทํายังไงคนอื่นจะไม่ดูถูกเรา นนะทำยังไงที่คนอื่นจะได้ไม่ดูถูกต้องคนอื่นไม่ดูหมินไม่ดูแคลนไม่เยียดย้มเป็นต้นเนี่ยอันนี้แหละเ้าเรียกว่าวิตกกังวลที่ประกอบด้วยไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูห ม, มินผู้ที่ะจะ ก, กำจัดอวิตก อ, อากุศลวิตตกเหล่านี้ก็ด้วยการพิจารณาธรรมที่เป็นปฏิปักกันนะนะละด้วยมรกเบื้องต่ำทั้งสามที่สามารถจะละวัตถุ น, นั้นๆได้ก็อย่างที่ว่า ข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดอกุศลมิตกยังไงก็ไม่เกินไม่เกินสังวรวิไนไม่เกินปะหานาวินัไนมันข้อปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นเนี่นะจริงๆสังวรวิไนกับปะหานาวิไนเนี่ยมันเป็นยารักษาสารพัดโรคเนี่ยเพราะอะไรเพราะสังวรวินัยกับปะหานาวินัยก็คือศีลสมถะและวิปัสสนาก็คือไตรสิกขาอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาก็คือวิเวกสามสุดจริตสามสติปทานเป็นต้นนั่นแหละเป็นเครื่องอ เป็นคุณธรรมเป็นข้อปฏิบัตินั้นถ้าปฏิบัติไปตามนั้นก็สามารถกำจัดบาปอากุศลได้ทุกอย่างนะผู้ศึกษาเพิ่งเห็นเนื้อความอย่างนี้ว่าวิตกที่เหลืออันภิกูุ์กำจัดได้แล้วอย่างนี้ทำให้สงบราบคาบในภายในย่อมไม่เกิดขึ้นอีกในจิตที่เป็นไปในขันธสันดานของตนอันเกิดในภายในตนฉันใด กิเลสที่เหลือที่พระอรหันต์ตัดได้แล้วก็ฉันนั้นเพราะว่าผู้ที่ตัดอากุศลวิตกได้โดยสิ้นเชิงละมิชาสังกปะได้อย่างสมบูรณ์ก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์นี่แม้แต่อากุศลวิตกแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีเพราะกำจัดได้อย่างราบคาบหมดแล้วส่วนคาถาที่8หน้าสามบอกว่าภิกษุใดไม่เล่นเลยไปพวกนี้ไม่เลยทงะนะแล้วก็ไม่ล้าหลังอยู่ ล่วงกิเลสเป็นเครื่องเนิ่นช้าหรือกิเลสเป็นเครื่องขยายวัตตะได้หมดแล้วภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละฝังในและฝังนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่คร่ำคร่าแล้วฉะนั้นอธิบายว่าผู้ที่ไม่แล่นเลยไปกลับไม่ล้าอยู่เนี่ยนะอธิบายว่าอย่างไรหน้าสี่สิสี่อธิบายไว้ว่าก็ภิกษุใดตกไปในอุทธจักรพวกนี้เขาเรียกว่าเพียรจัดเคกพวงนี้เลยทงปฏิบัติจนฟุง้งอะนะพวก ทำจนฟุ้งเนี่ยก็ถือว่าเลยทงหรือท้อแท้เกียดคร้านง่วงพวกนี้ก็หย่อนเกินไปเรียกว่าล้าอยู่